พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่กรกข้าประธรรมที่พระพุทโธง์ได้ตรัสสอนเอาไว้คือพุทโธจนะนี้จะนําพาท่านให้พบกับความสวัสดีจึงนําเอามาให้กันตั้งแต่การเริ่มต้นในตะวันของทุกท่านเราจะได้รู้วิธีที่จะดําเนินชีวิตแล้วให้ชีวิตดีไม่มีการขาดทุนบาทีจะได้กําไรซะด้วยซ้ํานะคะเราก็มีพระอาจารย์คือพระภับูรณ์อภิปุณโนหรือว่าพระมหาภาบูรณ์อภิปุณโณ จากวัดป่าดอนหายโศกดอนธานีค่ะเป็นผู้เปิดธรรมที่ถูกปิดให้กับพวกเราและที่สําคัญที่รายการนี้อยากเน้นย้ําใครที่ยังไม่เคยทำไม่อยากให้ลองดูคือตั้งแต่ตอนต้นของรายการเราจะนําให้ท่านเข้าสู่การปฏิบัติธรรมเสมือนกับได้ไปเข้าคอร์สกันที่วัดป่าดอนหายโศกเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าท่านไผบูรณ์นั้นก็ได้นําการปฏิบัติอย่ในนี้แหละค่ะเป็นประจําในทุกครั้ง ที่มีการฝึกปฏิบัติถ้อย่างเป็นทางการก็ยังต่ําเดือนละหนึ่งครั้งมีคนก็ไปร่วมกันทีเป็นเรือนร้อยนะคะวันนี้เราก็ไปกราบน้อมสักการท่านพร้อมๆกับอีกไม่กิจิตใจที่ท่านจะได้ปฏิบัติธรรมนี้กราบนมสักการณะะ์ท่านคะเช่นพันบุคคลที่ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยนัถึงจะดีเราฟังธรรมเราป่านทางหูเราให้มันรู้เข้าถึงไปในใจเราด้วยการที่เราตั้งสติไว้ที่ใจของเรา เมื่อไรก็ตามที่จิตของเรามาอยู่กับลมหายใจนั่นะที่เราหายใจอยู่อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเมื่อนั้นสติเนะี่ยสิ่งที่เราเป็นธรรมอย่างหนึง่งที่เราเรียกว่าสติเนะจะตั้งขึ้นทันทีโดยให้เรามาระลึกถึงในะการระลึกถึงก็หมายถึงการนึกถึงนั่นเองนึกถึงลมหายใจของเราลมหายใจเนี่ยมันเป็นยาวๆมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แล้วตรงไหนคือการระลึกถึงลมหายใจแล้วนกะ็หมายถึงว่าให้เรามารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจที่เกิดขึ้น นี่ยจะรับรู้ถึงสัมผัสนี้ได้บริเวณไหนก็แล้วแต่แต่แต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปอย่างคนที่ใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยก็ จ, จะเข้าไปลึกหน่อยคนที่จมูกสั้นจมูกใหญ่ก็จะแตกต่างกันไปแต่เรารับรู้ได้ที่ไหนก็เอาจิตของเราไปที่ตรงนั้นแต่บางคนก็อาจจะต้องใช้การหายใจรแรงๆสัก2 3ครั้งเนี่ยเพื่อที่จะให้เราจับจุดได้เนี่ยพอเราจับจุดได้แล้วเราก็หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาต่อไปเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่จิตเราตั้งขึ้นนี่ยสติเราตั้งไว้ทันที สติที่เกิดขึ้นนี้จะรักษาจิตของเราในะเป็นพูดที่เรียกว่าทําความเพียรอยู่ในขณะที่เราทําความเพียรอยู่อย่างนี้ถ้าเราทําไปทําไปจนถึงจุดใดจุดหนึ่งในะที่มันเป็นที่พึ่งได้เป็นที่ที่มันจะไม่กลับกําเริบขึ้นเนี่ยพระเจ้าก็จะเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าเป็นบุคคลอาชาไนาซึ่งได้เคยแบ่งเรื่องของบุคคลอาชานัยไว้4ประเภทแลนะได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่าวิสุท์ั้งหลายบุคคลอาชาไนสี่จำพวกนี้มีอยู่ หาได้อยู่ในโลกคือบุคคลอาชนายผู้เจริญบางคนในกรณีนี้ได้ยินว่าในบ้านหรือ น, นิคมโน้นมีหญิงหรือชายพูดถึงความทุกข์หรือได้เห็นตายลงเขาก็สังเวชถึงความสลดใจเพราะข้อนั้นเป็นเหตุครั้นสลดใจแล้วก็เริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคายมีตนส่งไปนในแนวธรรมะ ย่อมทำให้แจ้งซึ่งวรมัตตสัจจะและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาเรากล่าวบุรุษอาชานัยผู้เจริญชนิดนี้ว่ามีอุปมาเหมือนม้าอาชะนยตัวเจริญที่พอเห็นเงาของประตักก็สังเวยถึงความสลดใจฉะนั้นก็อื่นยังมีอีกคือบุคคลอาชานัยผู้เจริญบางคนในกรณีนี้ไม่ได้ยินว่าในบ้านหรือนิคมโน้น มีหญิงหรือชายพูดถึงความทุกข์หรือได้ตายลงแต่เขาได้เห็นหญิงหรือชายพูดถึงความทุกข์หรือตายด้วยตัเองเขาก็เกิดความสังเวชถึงความสลดใจเพราะเหตุ น, นั้นครั้นสลดใจแล้วก็เริ่มตั้งความเพียรโดยแยบกายมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ย่อมทำให้แจ้งซึ่งบ ร, รมัตตสัจจะและเห็นแจ้งแต่ตลอดด้วยปัญญา บรรด์อาชายนชนิดนี้เราเปรียบว่ามีอุปมาเหมือนม้าอาชายนตัวเจริญที่ถูกแทงด้วยประตักที่กลุมขนแล้วก็สังเวชถึงความสลดใจก็อื่นยังมีอีกคือบุคคลอาชายนผู้เจริญบางคนในกรณีนี้ไม่ได้ยินว่าในบ้านหรือนิคมโน้นมีหญิงหรือชายพูดถึงความทุกข์หรือตายลง ทั้งเขาก็ไม่ได้เห็นหญิงหรือชายพูดถึงความทุกข์หรือตายลงด้วยตนเองแต่ว่าญาติหรือสายโลหิตของเขาเป็นพูดถึงความทุกข์หรือทากาลกิริยาคือตายเขาก็สังเวชถึงความสลดใจในข้อ น, นั้นครั้นสลดใจแล้วก็เริ่มตั้งความเพียรโดยแยบขายมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ย่อมทำให้แจ้งซึ่งปรมัตตสัจจะได้ เรากล่าวว่าบุคคลอาชัยนชนิดนี้มีอุปมาเหมือนม้าอาชัยตัวเจริญที่ถูกเขาแทงด้วยประตักที่หนังก็สังเวชถึงความสลดใจข้ออื่นยังมีอีกคือบุรุษอาชัยผู้เจริญในกรณีนี้ไม่ได้ยินว่าในบ้านหรือนิคมมีหญิงหรือชายพูดถึงความทุกข์หรือได้ตายลงทั้งเขาก็ไม่ได้เห็นหญิงหรือชายพูดถึงความทุกข์ หรือได้ตายลงและทั้งญาติหรือสายโลหิตของเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ถึงความทุกข์หรือตายลงแต่ตัวเขาเองถูกต้องแล้วด้วยทุกเขเวทนาที่เป็นไปในสรีระซึ่งกล้าแข็งแสบเผ็ดไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจแทบจะนำไปเสียซึ่งชีวิตเขาก็สังเวชถึงความสลดใจเพราะก้อนนั้นครั้นสลดใจแล้ว ก็เริ่มตั้งความเพลี่ยนโดยแยกคายมีใจเด็ดเดียวอยู่อย่างนี้ย่อมทำให้แจ้งซึ่งปรมัตถสัจจะและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาเรากล่าวบุรุษอาชานัยผู้เจริญชนิดนี้ว่ามีอุปมาเหมือนม้าอาชานัยจัวเจริญที่ถูกเขาแทงด้วยประตักถึงกระดูกก็ถึงความสังเวชสลดใจเหล่านี้แหละคือบุคคลอาชานายสี่จพวก ซึ่งมีอยู่หาได้อยู่ในโลกและในขณะที่เรามีสติอยู่อย่างนี้นะปฏิบัติไปปฏิบัติไปเราก็อาจจะถึงความเป็นอาชาไนในอย่างใดอย่างหนึ่งในสีอย่างนี้ได้เชื่อปอนด์เขาใจเปรียบนะคะเคยได้ยินแต่ม้าอาชาไนาวันนี้มีบุรุษอาชาไนาเพิ่มขึ้นมาโดยเปรียบเทียบกับม้าเวลาที่ถูกตีถูกประตะใช่ถูกสารตีสั่งให้ไปค่ะอื แล้วก็สําหรับคนเนี่ยดิฉัก็จินตนาการตามแล้วคิดว่าส่วนใหญ่คนจะเป็นแบบท้ายๆเนะะียค่ะมันต้องให้กับเจอกับตัวเองอะ่ะโอ้นี่ไปเอาเท้าไปโดนท้อยเสียนะคะอม uh huh. ันก็เลยโป่งพองเนี่ยต่อไปนี้ฉันจะอยู่ไกลๆท่อไอเสีย uh huh. แต่ถ้าเห็นเพื่อนโดนท่อไอเสียเนี่ยคือน uh huh. ก็สุดทน่ากลัวฮะอ่าใช่ใ่กลัวในระดับหนึง่ง uh huh. แล้วยิ่งถ้าเห็นญาติๆใช่ไหมคะได้เห็นด้วยตาตนเองก็น่ากลัวขึ้นมาอื uh huh. แต่ว่าไม่เหมือนกับมาเห็นญาติพี่น้องของเราโดนลูกของเราโดนใช่ใช่แล้วยิ่งถ้าสมมติโอ้ยอ่านหนังสือพิมพคนน์คนนี้โดนคนนี้โดนอืมันรู้สึกเบาบางแตแพอรู้สึกได้ใช่ <laughs> อันนี้คือความตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในบทเรีย น, นชนะตรงนี้ที่พระเจ้าใช้คืนเนีย้ยมากว่าเริ่มตั้งความเพลี่ยนโดยแยบขายนะเริ่มตั้งความเพลี่ยนโดยแยบขายหมายความว่าคือคือไม่ได้หมายคว่าเราอาจจะเราจะต้องโอ้ ลราออกจากงานไมาวัดดีกว่านะบวชมันซ่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะหมายถึงตรงนั้นก็ได้แต่คําว่าแยบขายมีความหมายกว้างไงคุณโยมติวอาจจะหมายถึงการแค่ว่าเอ้ยงั้นงั้นแทนที่ฉันจะไปกินเหล้าฉันก็จะชั่จ่ายงบประมาณให้ดีแล้วกันปิดทางเอาใบอนุโมกอันนี้ก็แยบขายเหมือนกันนะก็จะมาก็คือตั้งอยู่ในสีก็ได้เหมือนกันแล้วไม่อยู่ที่ว่าคุณเห็นในระดับไหนภัยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณเห็นในระดับไหนบางคนช่วงต้นของชีวิต แหมจะให้ฉันไปบวชนี่ก็เอาไว้ก่อนนะแต่ว่าอย่างน้อยฉันก็รู้จักใช้สายงบประมาณรักษาศีลไม่คบเพื่อนชั่วขยันขันแข็งอ่านี่คือคุณตั้งความเปลี่ยนโดยแยบขาแล้วนะอยู่ในช่วงต้นของชีวิตของคุณคอย่างเงี้ย ก, ก็ถือว่าดีนะถือว่าดีอ่าทีนี้ความเป็นอาชานายัยนันยะเดียวที่พระเจ้าพูดถึงความเป็นอาช า, นายน์อาช า, นายน์นี่คือแบบแบบแบบดีมากเลยนะอชาชายน์นี่อาช า, นายน์นี่คือแบบเป็นม้าพันุ์พิเศษที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆ ท, ทั่วไป ซึ่ง <Okay. S 1> ในที่นี้เนี่ยความเป็นอาชแนยมันอยู่ที่ว่าทําให้แจ้งซึ่งปรมัตตสัจจะประมัตตสัจจะนี่คื อ, อสัจจะที่สุดยอดสูงสุดก็พูดง่ายๆคืออริยสัจสี่ <Okay. S 1> อริยสัจสี่เราก็เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาตอนนี้เห็นแจ้งแทนตลอดด้วยปัญญาเนี่ยอาตมาก็ตีความว่ามันก็ต้องเป็นโสดาบันขึ้นไปนะโสดาปฏิปผลขึ้นไปน ะ, <Okay. S 1> ะตรงนี้แล้วก็ปรมัตตสัจจะก็คือถ้ารู้อริยสัจสี อย่างเบื้องต้นก็ต้องโซดาปฏิพลขึ้นไปน ะ, ะซึ่งในระยะนี้ก็คือตั้งแต่โซดาปฏิพลดขึ้นไปจนถึงอร่าถผลนั่นแหละถึงจะเรียกได้ว่าเป็นบุรุษอาชาไนาใช่เป็นความเป็นอาชาไนาค่ ะ, คะก็เท่ากับว่าอันนี้เป็นเรื่องของคนที่ศรัทธาพระพุทธเจ้าและเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นะคะแล้วก็เลยเชื่อว่าการปฏิบัติความเพียรเพื่อทําให้จิตของเราหลุดพ้นในระดับที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปมากกว่าความเป็นมนุษย์ เพราะถ้าไต่ไปเป็นอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งขึ้นไปอันนี้ดิฉันพูดถูกไหมคะที่ผ่านมาใช่ใช่ใชนะคะนั่นก็คือสิ่งที่พระพุทธองค์ปรารถนาจะให้ผู้ที่รู้จักศาสนาของท่า น, นได้มีโอกาสเป็นบุรุษอาชานณยเช่นนี้พ้นทุกนั้นแหละอค่ะทีนี้มันเหมือนกับว่าแปลกอะคะท่านคะดิฉันเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะจะเรียกว่าอะไรดีคะถ้าเป็นภาษาพระพุทธเจ้าคือเป็นของเก่าหรือเปล่าคะถึงที่ทำให้คนเราเนี่ยรู้สึกไม่เท่ากัน พราะที่ฉันเคยเห็นคนที่เคยตายไปแล้วแวบหนึ่งแล้วกลับมาใหม่เหมือนตายอ่ะเหมือนตายไปแล้วแต่โชคดีได้กลับคืนมาคนพวกนี้จะเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างสิ้นเชิง3ามรองศาอ่าฮะไม่ประมาทนั่นเองค่ะอ่แต่มันต้องรอให้ถึงขนาดนั้นกันซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าก็ยังเห็นใช้ชีวิตกันล้วมๆตรงนี้แหละคือคือคนอันนี้คือนี่คือ ผ, ผู้ส่วนที่เป็นอาชานัยน ะ, ะแต่มันจะมีม้ากระจอกอยู่ที่พระเจ้าเคยยกตัว อ, อย่างเปรียบเทียบม้าพยศม้ากระจอก ถ้าเราเคยไม่แน่ใจคุณยมติ๋วเคยอย่านว่าปลาตื้อปลาตื้อมันจะมีม้ากแกลบอยู่ตัวหนึ่งไม่รู้จักค่ ะ, ะปลาตื้อเป็นการ์ตูนเรื่องปลาตื้ อ, อท้องป่องแล้วก็จะมีม้ากแกลบท้องกระป่องเหมืนอนกันม้าตัวนี้นะก็เป็นม้าที่ธรรมดาธรรมดานะไม่ได้เป็นม้าอาชาไห น, น, นแล้วก็จะมีม้าอีกประเภทหนึ่งคือม้าพยศเลยด้วยซ้ำนะสั่งให้มันไปมันกลับหันกลับหลังอย่างเงี้ยนะสั่งให้มันไปมันกลับนั่งทับลงอย่างเงี้ยไม่ไป แต่ม้าอาชายนี่คือทําตามคําสั่งอยู่แต่ว่าอาจจะต้องสกิดหน่อยก็คือเปรียบเทียบกับว่าเห็นแค่เงามันก็ไปแล้วเออไปมันก็ไปแต่ถ้ามันไม่ไปเอาสกิดมาหน่อยสกิดแล้วมันยังไปเออนี่ย่างดีนะหมาถ้าสกิดแล้วมันไปเสกิดให้ลึกหน่อยสกิดให้ลึกหน่อยมันยังไปนี่ยังดีนะแต่ถ้าม้าอื่นๆที่ไม่ใช่ม้าอาชายนี่สกิดยังไงมันก็ไม่ไปไม่ไปแล้วมันยังทําลายรถเราอีกหรือว่าสร้างปัญหาอะไรอีกต่างหาก เดีวซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการเปรียบเทียบกับคนในโลกนี้แหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละเดีคนคที่จะรับคําเตือนแล้วก็ทําก็มีเตือนหนักขึ้นแล้วทาก็มีเตือนหนักแล้วไม่ทําต่อให้เตือนยังไงมันยังทําร้ายเอากลับนี่ก็มีก็ต้องอย่างนี้งั้นเท่ากับว่าผู้ที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยพอเริ่มต้นด้วยความศรัทธาพระพุทธเจ้าละอะถึงได้สนใจว่าทํารมะของพระพุทธองค์นั้นเป็นอย่างไรที่ว่าดีๆเนี่ยออันนี้ถือว่าเข้าขายเป็นม้าอาชานัยสักประเภทใช่ไหมคะเป็นชาติอาชาัยเป็นชาติอาชานัย ชาติอาชาไนากับอาชาไนาเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าชาติอาชาไนาเนี่ยคือมีสันชาติของความเป็นอาชาไนาแต่ยังไม่เป็นอาชาไนานะ<อ>รู้จักเปรียบเทียบอย่างนี้เปรียบเทียบกับตระกูลม้าวลาหกม้าวลาหกเนี่ยก็คือเป็นม้าที่เป็นตระกูลอาชาไ น, านคือมีเชื้อสายของความเป็นอาชาไนายอยู่แต่ยังฝึกไม่เสร็จแต่ถ้าเอาไปฝึกเสร็จปุ๊บรับคําสั่งได้ นะรู้ว่าจะต้องปฏิบัติกับพระราชาอ ย, ย่างไรนะรู้ฟังในคำที่นิ่มนวลสามารถที่จะเอี่ยวตัวจนกระทั่งคนที่อยู่บนหลังหยิบไม้เอ่ออะไรที่ตกพื้นได้นะกระโดดเพ่าสี่ขาได้อันนี้คือฝึกเสร็จเรียบร้อยดีมากางั้นดิฉันขออนุญาตทำความเข้าใจเพิ่มไปอีกนะคะว่าเข้าใจถูกหรื อ, อไม่คนะือถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าอย่างเราๆท่านๆ ท, ที่สนใจธรรมะของพระาศาสดาแล้วแล้วก็พอสนใจในคาสอน ยอมให้พระพุทธองค์คือหมายถึงว่าธรรมะของพระพุทธองค์วิธีของธรรมะของพระพุทธองค์ฝึกเราเพราะเขาบอกอว่าพระพุทธเจ้าจเป็นครูผู้ฝึกใช่ไหมคะอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าถูกต้องสอนได้ทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะคะ อ, อ, อ, อันนี้เท่ากับว่าเราเป็นชาติอาชานไยที่เข้าสู่การฝึกละถูกต้องนะคะถูกต้องแล้วถ้าฝึกไปตามคาสอนของพระศ า, าสดาถ้าเข้าขายกับเป็นสมมุติว่าอันแรกเนี่ยที่เห็นเงา ที่ที่ไม่ได้เป็นไม่ได้เห็นนะคะอืใครที่ตายด้วยตัวเองใช่แต่สรุปใจได้แค่ได้ข่าวเนี่ยอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับมาใชนไหมที่เห็นแค่เงาของประตักก็ไปละค่ะก็เท่ากับดิฉันก็เลยบอกว่าเหมือนกับผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะพอฟังเข้าเข้าถึงธรรมปุ๊บปฏิบัติเลยเดินหน้าอย่างเดียวอืมถูกไหมคะใช่ไหคะเอาแค่ว่าเรามาพูดกันว่าเฮ้ยมันจะตายนะโอโ้จริงเหรอ รีบไปทําอะไรสักอย่างอย่างหนึง่งจนกระทั้งบรรลุได้อ่านี่คือคุณแบบแรกค่ะเอ่อทีนี้ชาติอาชาไนเนี่ยเกณฑ์ในการวัดชาติอาชานัยอย่างที่คุณโยมติ๋วถึงการฟังธรรมอันนี้ก็ได้หรือการเรามีศีลก็ได้นั่นคืออย่างปริกสุคุณยังไม่ต้องบรรลุขั้นอะไรหรือกระวาสคุณยังไม่ต้องบรรลุขั้นอะไรแต่แค่ว่าคุณมีมีศีลแตมีศีลคุณมีชาติอาชาัยแล้วนะมีชาติอาชาัย อ้าวศีลมันฝึกต่อได้เนีเป็นสมาธิได้เป็นปัญญาได้ประเด็นอีกอันหนึ่งคือตรงนี้คือว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบกับการฝึกฝึกม้าเนี่ยซึ่งสารธีที่เขาฝึกม้าเนี่ยบางทีเขาต้องใช้อาจฉรบางทีเขาต้องใช้สัตว์ตระนะเช่นมีกุศลบายให้มันกินบ้างให้มันหยุดบ้างให้มันอดให้มันกินตีมันหลอกล่ออะไรต่างๆเพื่อให้มันรับการฝึกใช่ไหมอันนี้คือต้องมีอาจฉรต้องมีสตว์ตรา ตนนี้เรากลับมาดูในตางคำสอนของพระเช่าเนี่ยเป็นการฝึกชนิดที่ไม่ต้องใช้อาทยแล้วก็ไม่ต้องใช้ศาสตรานะคือฝึกด้วยธรรมนะใช้ธรรมะในการฝึกซึ่งเราควรถ้าเรารู้ว่าตัวเราเองมีชาติอาชาไหนแล้วเนี่ยยิ่งต้องควรที่จะฝึกเลยคุณโยมเตียว ม, มันสําคัญมากเพราะมันไม่ต้องเจ็บตัวนั่นจะเป็นฝึกทั้งจิตนั่นเองนั้นก็เท่ากับว่าคนที่ฝ่ายทำอยู่แล้วอยากจะทําแต่ความดี อยากรว่วดียิ่งๆ่งขึ้นไปทํำยังไงใช่ต้องยิ่งเป็นคนที่ควรฝึกเข้าไปใหญ่เพราะว่าเพราะว่าจิตใาของเขาเนี่ยถ้าบอกว่าเขามีศีลอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นไปเพื่อสมาธิถูกไหมคนที่มีศีลแล้วมีความไม่ร้อนใจมันก็จะเป็นไปเพื่อสมาธิต่อไปเขาก็จ ะ, ะ ส, สูงขึ้นสูงขึ้นน่นแหละค่ะนั้น<ล><ล>ท่านฟังที่ฟังรายการนี้อยู่ถ้าคิดว่าตัวเองไี่อยู่ในคายฮะเราพยายามไม่ทําตัวผิดศีล น, นะรักษาศีลเท่าที่จะทำได้อยู่ แปล ว, ว่ามีชาติอาชาในอยู่ในตัวนะใช่ต้องรีบคะ่ะประเด็นต่อไปก็คือว่าเรื่องของความทุกข์หรือว่ากาละกิริยาตรงนี้กรรมที่รเราเจ้าใช้คือทุกอย่างได้อย่างหนึ่งหรือว่าตายทุกอย่างได้อย่างหนึ่งในที่นี้อาจจะเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจทุกอาจจะเจอความเจ็บทุกอาจจะเจอเงินเดือนลดปัญหาเศรษฐกิจพวกนี้จะเป็นความทุกข์ที่เราเราต้องเห็นได้เราก็ตายก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งในหนังสือพิมพ์เรามีทุกวันเลยคนะอันนี้คือเราได้ยินมาจากคนอื่นนะผ่านทางเกิดข้อมูลมือ2มือสนะแล้วก็ในกรณีถัดมา ก, ก็คือเราเห็นกาตาแต่คนนั้นเราไม่รู้จักแล้วถัดมา ก, ก็คือว่าคนนี้เรารู้จักด้วยเป็นญาติเราเป็นเพื่อนเรานะแล้วก็4ี่คือตัวเราเองที่เจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะนั่นเนี่ยอย่างที่คุณยมติวพูดถึงว่าบางคนเนี่ยต้องเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกับตัวเองแล้วถึงจะมาเปลี่ยนแบบ360องศา ร้อยสิบองศายอย่างเงี้ยอันนี้ก็ก็คือเราเจอความทุกข์แล้วนะซึ่งมันไม่จําเป็นที่จะต้องเจอความทุกข์หนักๆไงคุณโยมติ๋วนึกออกไหมเอาแค่ว่าเราเข้าห้องน้ำอขอโทษทีเถอะนะแค่นี้ก็เป็นความทุกข์พอแรงที่เกิดจากการทเรากินอาหารค่ะแล้วแค่นี้ถ้าเราเห็นได้นะอันนี้คือคุณก็จัดว่าเป็นคนที่มีอาช่ายเลยนะค่ะบางคนก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันถึงแม้จะบอกว่า อ, อ่าตายใกล้าตายด้วยตัวเอง นะคะแล้วเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจมันจะต้องเร่งทําอะไรกันนักนะหนาเราทําความเพียรทำความเพียรไปทําไมมีประโยชน์อย่างใดคะท่านคะก็<ๆ>อย่างที่<ๆ>พูดไปเมื่อเมื่อวานนี้ว่าพอปัญหาได้ปัญหาหนึ่งมาถึงอะ่ะเช่นความแก่อความเจ็บไข้พวกนี้แล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้น ะ, ะซึ่งไอ้ความทุกข์เล็กๆน้อยๆเ น, น, นี่ยมันจะมีสภาพ เ, าเราอาจจะคิดว่าต้องป่วยหนักขนาดว่ามะเร็งขั้นสี่คนหนึ่งจะแก้ไขตัวเองใช่ไหม แต่มันไม่จําเป็นต้องถึงขนาดมะเร็งขั้นสี่ก็ได้เพราะว่าธรรมชาติของไข้หวัดธรรมชาติของไข้หวัดธรรมชาติของการไอธรรมชาติของความที่มันต้องมาจามอะไรพวกนี้เป็นภูมิแพ้พวกนี้ก็เป็นธรรมชาติเดียวกันกับความที่เป็นมะเร็งขั้นสี่นะเหมือนกันมันไม่ต่างกันอะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เหมือนกันเอ๊แต่ทําไมตอนที่เราเป็นหวัดธรรมดาเราไม่เห็นนะหรือว่าตอนที่เราเข้าห้องน้ําแล้วแค่นี้มันปวดมันเป็นทุกข์เอ๊เราไม่เห็นว่าอันนี้เป็นความทุกข์ ที่มันเหมือนกับเป็นมัเป็นกันสีเข้าใจไหมตรงนี้เราถึงถูกบังอยู่ด้วยด้วยอำนาจของอวิชาคือมันทําให้เรามองไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าเป็นธรรมชาติเดียวกันเนี่ยเราเราจึงต้องค่อยๆฝึกเพราะคำสอนปริชาเนี่ยเป็นไปที่จะเปิดเผยตรงนี้ออกมาว่าอ๋อมันอย่างเดียวกันนะถ้าเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราเราก็ควรจะมีกําลังใจในการที่จะปฏิบัตินั่นเองค่ะอือคืออันนี้อาจจะเป็นการที่ท่านแากแยะให้เห็นว่า ลักษณะของบุรุษผู้เป็นอาชานันเป็นอย่างไรแต่ท่านไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรอให้ถึงขั้นนั้นขั้นนั้นอันนี้จําแนกให้เห็นว่าที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจัดเข้าทำเนียบว่าเป็นบุรุษอาชานัยอย่างนี้อย่างนี้ใช่แต่เราเนี่ยควรจะตั้งแต่ต้นมือเมื่อรู้จักธรรมะของพระศ า, าสดาเลยถูกต้องนะคะต้นมือต้นนี้การการที่เรื่องของความทุกข์พริเจ้าก็ไล่ไล่หมางแต่ความทุกข์ธรรมดาธรรมดานะะั่นแหะ จริงๆตั้งแต่ตอนเกิดคุณทุกคุณผ่านมาแล้วคุณรู้หรือเปล่าเหนื่อยไหมมาแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์อยู่ได้แต่ว่ามันมันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะแฮปปี้เท่าไหร่อ่าแล้วก็มีใครคิดไปถึงสักเท่าไหร่นะคะที่พ่อพูดเกิดมาปุ๊บทุกแล้วก็บอกแม่ต่างหะที่เจ็บท้องไม่ใช่เราแล้วตัวเองร้องไห้เมื่อตอนออกมาจากคลอดแม่ท้องแม่ก็คิดว่าเป็นการร้องในความดีใจฉันเกิดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้เราค่อยๆเห็นมาค่อยๆเห็นมาเนี่ยมันจะมีตลอดเลยนะมิถันทีนี้ก็มี วปวดขาหรือเปล่าลวปวดหลังไม่เนี่ยเนี่ยดิยฉันเพิ่งคิดนะคะเนี่ยเมื่อเกิดมาปุ๊บแล้วร้องห้งจริงๆเนาะคพบเหลอที่เราคลิปสนุกๆว่าเป็นการร้องดีใจว่าแย่ฉันเกิดแล้วเนี่ยอาจจะเป็นว่าพูดแบบรู้ธรรมพระพุทธเจ้าโอ้ <c oughs> เกิดปุ๊บ <c oughs> ฉันตายแน่แล้วอะไรอย่างเงี้ย น, น ะ, ะใช่ใช่คือถ้าเราค่อยๆเห็นค่อยๆสั่งสมความความไม่ประมาท แล้วก็ค่อสัง颂ความที่มีสติเนี่ยมันก็จุดหนึ่งมันก็จะเห็นได้คือเพราะว่าไอ้ความทุกข์ที่จะมาเตือนเราเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นและแรงขึง้นเช่นตอนเราอาจจะมั่งมีมันก็จะเตือนมาด้วยความยากจนอตอนมีชื่อเสียงมันก็จะมาเตือนด้วยความที่เสียชื่อเสียงก็อาจจะขึ้นขลงๆอย่างนี้มาเตือนอยู่เรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมาเตือนห น, หนักๆก็ตอนเจ็บตอนจะตาย น, นี่คือเตือนสุดๆละฟังดูเหมือนกับว่า สิ่งที่เราเข้าใจกันว่าเป็นความสุขเนี่ยมันน่ากลัวมันมีโทษมากเพราะมันทําให้เราหลงลืม แ, ลแต่พอเรามีความทุกข์เนี่ยมนุษย์มักจะคิดได้นะฮะปลงปลงปลงใช่ใช่ใชเริ่มมีมีวิธีการพูดวิธีการคิดไฝไปนในทางธรรมะอันนี้ก็คือต้องบอกว่าจริงๆมันคืออันเดียวกันอันเดียวกัน <c oughs> แต่ว่ามันมาในต่างรูปแบบผัสดะนะไอไอความทุกข์ที่พูดถึงเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบของพัสดะที่น่าพอใจ ความทุกข์ที่พูดถึงนี้อาจจะมาในรูปแบบของภาษาที่ไม่น่าพอใจก็ได้ไหมเพราะ น, นั้นไม่ว่าจะเป็นภาษาที่น่าพอใจก็ตามภาษาที่ไม่น่าพอใจก็ตามมีธรรมชาติอย่างเดียวกันคือมันเป็นความทุกข์เพราะมันเปลี่ยนแปลงได้ท่านรู้ฟังอยู่เพิ่งงงบางคนที่เพิ่งเปิดมาเจอบอกเอาอยัางไงแล้วเนี่ยสรุปแล้ว <laughs> สุขมันคือทุกข์หรื อ, อยังไงท่านเบญุต้องอธิบายมากกว่านี้ละคะ่ะก็อย่างเช่นว่าเรากำลังพูดถึงเช่นวัาเราได้กินอาหารที่เราพอใจอ น, นี่คือภาษาที่น่าพอใจนะ อสเนี่พอใจเอ๊ะทำไมมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงตอนที่เรากินอิ่มไปแล้วเราไม่ได้กินหรือมันเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยนี้เราจะทุกข์มันจึงเป็นความทุกข์ที่แฝงอยู่ในนี้มีความแฝงอยู่ในนี้แต่นี้มันถูกฉาบด้วยของหวานเอาไว้มีภาพเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ไม่เราเผลอเผลินหลงลืมแต่มันเป็นสภาพที่เหมือนกันกับไอของที่มันไม่ดีนั่นแหละเหมือนกันค่ะเั้นเปรียบเทียบอย่างนี้ได้ไหมคะ อได้ขนมปังสังขยาเจ้าอร่อยมาโอ้โหชอบมากเลยชีวิตดิฉันเนี่ยอยู่ได้ด้วยขนมปังสังขยาสักสัปดาห์นึงก็ได้อืมแต่ว่าได้มาเยอะเลยแต่เก็บรักษาไว้ไม่ได้เดี๋ยวมันเสียละเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมันเป็นความสุขที่กลายเป็นความทุกข์อันเนี้ยเปรียบเทียบได้ไหมคะใช่ใช่เห็นว่าเอ้ไหนว่าสุขไงสุดท้ายมันก็ทุกข์อืมทุกต่องทุกต่างอันนี้ก็เปรียบได้เหมือนกันนะนะคะค่ะฉะนจึงเป็นเหตุที่ว่าเราต้องรีบทำความเพียรนั่นเองเนาะใช่ปะ นะคะแล้วดิังคิดว่าเวลาเราใกล้หมดทุกขณะแล้วใช่ไหมคะท่านใช่ใชค่ะก็คงจะต้องฝากกันเอาไว้ว่าวันนี้ท่านไปบูรณ์ได้นำเอาอธรรมะที่พระพุทธองค์ได้เปรียบเทียบลักษณะของคนที่จะมีปฏิกิริยาเร็วกับความทุกข์ทั้งหลายแล้วก็นำไปสู่การที่พยายามทำความเคียนให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ในทางธรรมผู้หญิงได้ใช่ไหมคะไดบานทูกต้องและทําให้อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าเราเองเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงขั้นนั้นในขณะ น, นี้แต่ถ้ามีใจฝ่ายไปในทางธรรมคือพยายามรักษาศีลพยายามทําความดีนะคะทําในสิ่งที่เป็นกุศลถ้าว่าถ้ามีเชื้อแล้ว<ม>ที่จะให้พระพุทธองค์ซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถฝึกคนอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าฝึกได้ทั้งคนธรรมดาเทวดาทั้งหลายด้วย ก็เร่งสึกกันสันะคะแลวันนี้เราก็จะต้องลาท่านเพริบุญแล้วก็ต้องกล่าวน้มสักการนะคะพระมหาไพริบุญอภิปุโนจงวัดป่าดอนหางโสดอนธานีที่ได้เมตตามาเปิดธรรมที่ถูกปิดให้กับพวกเราในรายการสรเสรีสนทนาณวันนี้กลาวนมสักการขอบพระคุณค่ะเจริญพรค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะและสิ่งที่ดิฉันคิดว่าคนที่ไม่ค่อยได้ฟังรายการนี้หรือว่าไม่ค่อยได้ฟังรายการธรรมะมาก่อนติดใจสงสัยอยู่นั่นคือเรื่องที่ว่าสุขกละคือทุกข์ ท่านก็ไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะคะทุกอย่างไรทุกก็คือความที่เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงค่ะและนำความทุกข์มาให้แล้วก็มันไม่ได้มีปรากฏอยู่จริงนะคะมันมาปุ๊บอยู่ประเดี๋ยวกระดา้าหรืออาจจะอยู่นานแต่ว่าสุดท้ายมันจะดับปไปในที่สุดค่ะเราติดตามรับฟังรายการนี้ไดเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะดิฉันสันสนีนาภมือผู้ ด, ดําเนินรายการมาไย ทำการเพื่อที่จะนำชีวิตของด้านทั้งหลายเมื่อนำทำไปสู่การปฏิบัติแล้วเราจะมีความทุกข์น้อยลงทุกข์น้อยลงพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะคือทั่วสวัสดีค่ะโอเค